การปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งหมดทำทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าต้องการบรรลุถึงขั้นมรรคผลนิพพาน เพอขั้นโลกุตตระธรรมเช่นขั้นของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ครบทั้งสามอย่างการปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้ก็ปฏิบัติไปควบคู่กันไปได้ในระยะเริ่มต้น เวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆเราก็ต้องทําทานก่อนถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะถ้าเราไม่ทําทานจละทรัพย์สมบัติ mm. ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เรือจะออกจากท่าเรือหรือเรือที่จอดอยู่ถ้าจะให้เรื อ, อไปไหนได้ ก็ต้องถอนสมอเรือก่อนถ้าไม่ได้ถอนสมอเรือเรือก็จะไปไม่ได้ออกเดินทางไปไม่ได้ผู้ที่จะไปสู่มรรคผลผนิพพานจึงจําเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนถึงจะสามารถออกเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ ฉันั้นการทำบุญการปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ปฏิบัติสามอย่างร่วมกันไปพร้อมๆกันคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาศีลก็มีหลายระดับเริตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ด การภาวนาก็มีอยู่สองระดับคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาคือการสอนใจให้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของเขานี่คือ การปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานจะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่การปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยการปฏิบัติน้อยผลก็จะน้อยปฏิบัติมากผลก็จะมากขึ้นไปตามลำดับ <c oughs> ถ้าเราทำทานได้ร้อยละสิบเราก็จะรักษาศีลได้ร้อยละสิบ ภาวนาได้ร้อยละสิบนะถ้าเราทำทานร้อยละห้าสิบเราก็จะรักษาศีลได้ร้อยละห้าสิบภาวนาได้ร้อยละห้าสิบถ้าเราทำทานได้ร้อยเปอร์เซนเราก็จะรักษาศีลได้ร้อยเปอร์เซนภาวนาได้ร้อยเปอร์เซนเราก็จะได้มรรคผลนผิพพานร้อยเปอร์เซ็นอนนี่คือ การปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่สนับสนุนกันทานจะสนับสนุนให้เรารักษาศีลได้ศีลจะสนับสนุนให้เราไปภาวนาได้สมณะสมัิภาวนาก็จะสนับสนุนวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนา ก็จะสนับสนุนการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆดังนั้นเราจรึงต้องมาทําบุญทําทานกันถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันจะทําให้เรามีความผูกพันมีความหวงมีความห่วงใย ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองทดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถึงจะไปรักษาศีลได้อย่างเต็มเต็มร้อยไปรักษาศีลของนัก บ, บวช แล้วก็ไปภาวนาได้อย่างเต็มร้อยเพราะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปดูแลเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆมีเวลาที่จะภาวนาได้อย่างเต็มร้อยตั้งแต่ตื่นจนดับนี่แหละถึงจะได้ผลอย่างเต็มร้อยดูพระอริยสงสาวกทั้งหลาย พระสุปฏิปันโนทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านต้องสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองให้หมดไปก่อนมีข้าวของเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องบริจาคไปแล้วจะได้ไปบวชไปอยู่แบบนักบวชได้แล้วก็จะได้มีเวลาภาวนาตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนดับทำไมต้องภาวนานตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เราต้องคอยกำจัดคือกิเลสตัณหามันทำงานตลอดเวลานั่นเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่กิเลสตัณหามันเริ่มทำงานนะอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยากไปนูน่นอยากมานี่อยากดูนั่นอยากดูนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่เนี่ยมันมีความอยากตลอดเวลา เราถ้าต้องการจะบรรลุถึงทำขั้นต่างๆเราก็ต้องคอยกำจัดกิเลสตัณหาตลอดเวลาถ้าไม่คอยกำจัดไม่ภาวนาตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะกำจัดให้มันหมดสิ้นไปได้อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติต้องปฏิบัติ ต้องเริ่มที่ขั้นแรกก่อนคือทานทำทานให้มากขึ้นไปเรื่อยยิ่งทาทานมากยิ่งจะทำให้เรารักษาศีลได้บริสุทธิ์ได้มากขึ้นได้มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติยังเสียดายยังหวงเราก็จะต้องเอาเวลา ที่เราจะไปภาวนาไปรักษาศีลมาดูแลทรัพย์สินมาบริหารจัดการกับทรัพย์สินสมบัติต่างๆเวลาที่เราจะไปรักษาศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยยิบเจ็ดก็จะมีน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อไม่มีเวลาไปรักษาศีลของนักบวชไปอยู่แบบนอกบวชได้ ก็จะไม่มีเวลาภาวนาได้เต็มร้อยนั่นเองผู้ที่ได้เริ่มปฏิบัติในขณะที่เป็นคารวาสแล้วได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของจิตใจที่เกิดจากการภาวนาก็จะเห็นความสาคัญของเวลาที่จะมีให้ต่อการภาวนาถ้ามีเวลาให้กับการภาวนา ผลคือความสงบต่างๆของจิตใจก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับผลที่ได้รับจากการทําทานรักษาศีนี้ไม่บีมากนักต่อจิตใจการทําทานกับการรักษาศีนี้มีเพื่อเปิดทางให้มีเวลาไปภาวนาถ้าเราไม่ไม่มีเวลาเราจะภาวนาไม่ได้คับ ที่เราภาวนากันไม่ได้เพราะเรายังมากังวลกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่กังวลกับเรื่องปากท้องอยู่กลัวจะอดตายกันกลัวจะอดอยากขาดแคลนก็เลยต้องคอยดิ้นรนหาเงินหาทองมาเก็บมานักษาเอาไว้ก็เลยไปปฏิบัติแบบนักบวชกันไม่ได้ ผู้ที่เขาไปปฏิบัติแบบนะักบวชนี้เขาไม่กังวลกับเรื่องความตายมากนะักเขาไม่กังวลกับเรื่องความอดตายเขาเห็นพระเห็นชีเขาบวชกันได้เขาก็คิดว่าเขาก็ไปบวชได้ถ้าพระชีเขาอยู่กันได้เขาก็อยู่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่าง อย่างมีประวัติของพระอาจารย์ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นลูกหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นคารวะท่านก็เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมีนามีไร่มีวัวมีควายมีบ้านมีช่องแต่ท่านไม่มีครอบครัวท่านไม่มีลูกเต้าสามีภรรยาชอบไปวัดชอบไป บวชอบไปนักษาศีลของอุบาสกอุบาสิกาไปเทศศีลแปดไปอยู่วัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมจนจิตใจเริ่มได้สัมผัสกับความสงบก็เกิดศรัทธาที่อยากจะออกบวชก็เลยไม่เสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ ติดประกาศบอกชาวบ้านให้รู้ว่าถ้าใครต้องการอะไรก็มาขอได้ใครไม่มีที่ทานาก็ขอได้ใครไม่มีบ้านก็ขอได้ใครไม่มีวัวไม่มีควายก็ขอได้เพราะเขาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเหล่านี้แล้วเพราะถ้าเขายัางต้องดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านี้อยู่เขาก็จะไปปฏิบัติ ภาวนาไม่ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องทำแบบไปไปมามาไปวัดสามวันกลับมาดูทรัพย์สมบัติสามวันกลับไปกลับมาเห็นความแตกต่างระหว่างการภาวนากับการไม่ภาวนาว่าทําให้จิตใจมีความสุขมากน้อยต่างกันอย่างไรจึงเห็นคุณค่าของความสุขที่ได้จากการภาวนา มากกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆความสุขทางวัตถุนีส้สู้ความสุขทางจิตใจไม่ได้ความสุขทางภาวนาไม่ได้ผู้ใดลองได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุข แบบความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ท่านเรียกว่านัติสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีสุขของนัติสันติปรังสุขขังก็คือสุขของรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองถ้าใครได้ภาวนาแล้วได้ ได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างของความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับความสุขที่ได้จากการภาวนาเพื่อทำใจให้สงบเมื่อเห็นว่าความสงบนี้ดีกว่าเหมือนกับถ้าเราได้เพชรเราก็จะเห็นว่าเพชร น, นี่มันดีกับพลอย พอได้เพชรแล้วพลอยก็ไม่สนใจเอาแต่เพชรดีกว่าเรื่องอะไรไปเอาพลอยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดได้หัดภาวนาหัดทำจิตใจให้สงบจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้แล้วจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นอีกต่อไป มีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมีสามีภรรยาก็สละไปหมดสามีคู่นี้ท้านก็สละทรัพสมบัติไปแล้วก็ไปบวชกันสามีก็บวชพระภรรยาก็บวชชีแล้วสามีก็ได้ไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมา เพราะว่าเวลาที่ท่านตายไปกระดูของท่านนั้นได้กลายเป็นพระธาตุไปถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปอ่านในหนังสือรู้สึกเป็นปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานของสายพระอาจารย์มันที่หลวงตามหาบัวเป็นผู้เขียนขึ้นท่านก็คือพระอาจารย์พรหมเนี่ยท่านก็ลองไปอ่านประวัติของท่านดูอันนี้ เกิดจากการที่ท่านทำทานเต็มร้อยท่านไม่หวงไม่ห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองมันกลับจะเป็น อ, อุปสรรเห็นผู้ที่ไปบวชนี้ พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ให้พระเนรครอบครองทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นของของตนให้ดูแลรักษาเป็นของส่วนรวมได้เช่นของสงฆ์วัดวารามก็ต้องใช้เงินทองในการบริหารจัดการกับภารกิจต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินทองแต่ก็ให้ถือว่าเป็นสมบัติของวัด ไม่ให้เป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ถ้าถ้ามีถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ก็สามารถที่จะเบิกใช้ได้ตามความจาเป็นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวข้องกับเงินทองเลยพระเนนที่ไปอยู่วัดป่ามันตะนี้ไม่มีไม่มีทรัพย์ส่วนตัวทรัพย์ทั้งหลายนี้ เป็นของวัดหมดใครจะถวายให้กับพระท่านก็ยกให้กับวัดไปพระที่ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตายกับหลวงตานี้ท่านไม่ได้ไปหาเงินทองท่านไปหาธรรมะกันท่านจึงไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นของตนแต่ท่านจะได้ทรัพย์ภายในคือจะได้อาริยรั์ ถ้าเราต้องการอริยทรัพย์เราต้องสละทรัพย์ภายนอกไปเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อกันละกันถ้ายังหาทรัพย์ภายนอกอยู่ก็จะไม่มีเวลาไปหาทรัพย์ภายในถ้าต้องการทรัพย์ภายในก็ต้องหยุดการหาทรัพย์ภายนอกเนี่ยนี่คือคําหมายของการทําทานทําทานเพื่อถอนสมอเรือ เรือจะได้ออกเดินทางไปสู่สู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ผู้ที่ต้องการจะไปสู่มรรคผลนิพพานสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจาเป็นจะต้องถอนสมอเรือกันมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็สละไปบริจาคไปแล้วก็ไปบวชไปอยู่ ที่วัดกันดาบใดที่มีปัจจัยสี่ก็อยู่ได้แล้วมีอาหารรับประทานวันละมือก็อยู่ได้มีเสื้อผ้าอยู่สองสามชุดก็อยู่ได้แล้วมีที่อยู่อาศัยตามมีตามเกิดปองหลบแดหลบฝนได้ก็อยู่ได้แล้วมียาดองน้ำมูดก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว โรคภัยไข้เจ็บนี้สาหรับนักปฏิบัตินี้จะมองว่ามันมีเพียงสามโรคเท่านั้นเองโรคที่หนึ่งก็คือโรคที่เป็นเล่าหายเองไม่ต้องกินยาก็หายเช่นปวดหัวบ้างปวดท้องบ้างปวดแล้วเดี๋ยวมันทิ้งอยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็หายได้เป็นไข้หวัดนี้ไม่กินยาสักสองสามวันมันก็หายได้ นี่คือโรคชนิดที่หนึ่งเมื่อเป็นแล้วมันก็หายหายเองได้โรคชนิดที่สองก็คือเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายแต่สําหรับนักปฏิบัติก็จะถือหลัก อ, อนิจังทุกขังอนัตตาคือเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ถ้าเป็นแล้วรักษาไม่หายก็อยู่กับมันไปอยู่ไปจนกว่ามันจะหายหรือเราจะหายคือร่างกายจะตายไปเนี่ยก็คื อ, คอโรคชนิดที่สามโรคชนิดที่สามนี้เมื่อเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม มีทรัพสมบัติมีข้าวของเงินทองที่จะซื้อยาซื้อหมอซื้ออะไรมารักษาถ้ามาเจอโรคที่สามก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเหตนเงินทองจึงไม่มีความหมายอะไรมากนะักสำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็มีโรคสามชนิดถ้าไปเจอชนิดที่เป็นแ้หายเองเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าเป็นชนิดไม่หายก็รักษากันไปถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปส่วนชนิดที่สามพอเจอแล้วก็นักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่รักษากันปล่อยให้มันเป็นไปตาม อัตภาพตามความเป็นจริงของชีวิตของร่างกายคือเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะไม่ยึดไม่ติดกับชีวิตสังขารร่างกาย เพราะจะเจริญปัญญาจะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ทำยังไงก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายร่างกายไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราของใจที่มาครอบครองร่างกายแต่ใจนี้จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ถ้าปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์ ใจจะปล่อยวางร่างกายได้ก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเจริญสมถาภาวนาถึงจะสามารถมีปัญญาระดับภาวนาไมยปัญญาได้ปัญญานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุตตะไมยปัญญาคือปัญญาที่ได เกิดได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตอนนี้ญาติโยมกำลังมาเจริญสุตตะมยพปัญญากันมาฟังเทศฟังธรรมมาให้เรียนรู้ถึงธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำเอาไปใช้กับการวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจปัญญาระดับนี้ ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆได้ถ้ากําจัดได้ญาติโยมก็ต้องบรรลุธรรมกันไปหมดแล้วทาไมสมัยนี้การฟังเทศน์ฟังธรรมกับสมัยพุทธกาลจึงได้ผลไม่เหมือนกันกเพราะว่าผู้ฟังนี้มีศักยาภาพไม่เหมือนกันนั่นเองผู้ฟังในสมัยพุทธกาลในสมัยยุคนัก ของการประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กับนักบวชนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วนักบวชที่ได้สระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วจิตใจไม่มีความผูกพันกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ การกระทําทางกายวาจาก็สะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ทําบาปแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วใจก็เข้าสู่สมาธิได้รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้พอใจพอ ผู้ปฏิบัติมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่พอได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถน้อมธรรมนี้เข้ามาแปลงจากสุตตมยปัญญาให้กลายเป็นภาวนามยปัญญาได้เลยคําว่าภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่มีการภาวนาเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองก็คือมีส ม, มถภ า, าวนา ถ้ามีส ม, มถะภาวนามีอัปปนาสมาธิพอเอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาไข้ควรก็จะสามารถมาตัดกิเลสตัดสังโยชน์ต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจได้อย่างทันทีผู้ฟังในสมัยพุทธกาลนะเช่นพระปัญจวคีนี่เป็นผู้เป็นนักบวชมีศีลที่บริสุทธ มีฌานมีสมาธิกันมีอัปปนาสมาธิกันพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยศสตร์สี่ให้ฟังแสดงว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการจะหยุดความทุกข์ก็ต้องใช้มรคคือปัญญา ปัญญาก็คือการเห็นว่าสภาวะธรรมเช่นร่างกายหรือขันหานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอเห็นดังนั้นเห็นว่าที่ทุกข์ก็เพราะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราขันห้าเป็นตัวเราของเราพอเห็นแล้วว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้ขันห้าเป็นะ เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาต้องปล่อยให้ขันห้าเป็นตามความจริงคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ไม่มีภาวะวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอทําใจสอนใจให้ละตัณหาได้ ความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับขันธ์ห้าก็จะไม่เกิดร่างกายจะแก่ก็ไม่ทุกข์เวทนาจะเป็นทุกขเวทนาก็ไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย พอพิจารณาด้วยปัญญาตามที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงทรงสอนให้พิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเรื่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บเรื่องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้พอปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาได้ใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปน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 คือไม่ยึดไม่ติดกับอะไรพอปัญญาสอนให้รู้ว่าการยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นต้นเหตุของการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่ก็เลยบรรลุธรรมกันอย่างรวดเร็วเพราะผู้ปฏิบัตินี้มีศักยภาพมีศีลมีสมาธิเต็มร้อย เพียงแต่สมัยนั้นตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตัดสู้ไม่มีใครมีปัญญากันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีปัญญาไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปต่างๆก็ไม่มีใครสอนเรื่องปัญญาไม่มีใครสอนเรื่องอริยสัจสี่ไม่มีใครสอนเรื่องไตรลักษ พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองค้นว่าค้นค้าว่าทำไมจิตใจของพระองค์ยังยังต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆทำไมเวลาเข้าสมาธิมันไม่ทุกข์แต่พอออกจากสมาธิมามันถึงทุกข์ก็ทรงเปรียบเทียบดูระหว่างที่อยู่ในสมาธิจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตไม่มีความอยากจิตก็เลยไม่ทุกข์กับอะไร แต่พอจิตออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายจิตก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เลยทรงเห็นว่าที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพระองค์ก็เลยทรงบตัดสูเห็นพระอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆอยา่าง อยากอยากมีอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนัดก็ต้องมีร่างกายอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องมีร่างกายก็เลยทำให้อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเพราะถ้าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถที่จะเสพความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ yeah. ก็เลยทำให้กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายทำให้เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาแต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายอยากจะมีความสุขเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิก็ต้อง ยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไม่มีใครยับยั้งได้จะต้องจะต้องยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายต้องหยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาถ้าไม่อยากจะทุกขกับความเป็นความตายของร่างกาย ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นของความทุกข์จึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือกนอกจากการที่จะต้องตัดความอยากต่างๆไปให้หมดอยู่แบบไม่มีความทุกข์ดีกว่าอยู่แบบมีความสุขจากจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวความสุขที่ต่อไปจะกลายเป็นความทุกข์กันขึ้นมา เห็นไหมมีใครไม่ร้องห่มร้องไห้กันมั้มีทรัพย์สมบัติมีอะไรพอเวลาที่ต้องมีการพัดพรากจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับกันมีความสุขกับสมบัติแบบนี้มีไปทำไมมีความสุขแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหลั่งน้ําตากัน ต้องเศร้าโศกเสียใจกันหรือต้องมาวิตกกังวลกับการพัดภาาจากกันจากการสูญเสียสิ่งต่างๆกที่มีอยู่ไปผู้ที่ผู้ที่ฉลาดก็จะเลือกเอาการไม่มีความทุกข์ดีกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะสิ่งที่ได้จากการไม่มีความทุกข์ก็คือความสงบ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนะผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสีถ้ามีกําลังของสมาธิก็จะสามารถสอนให้ใจเลิกกามตัณหาได้เลิกภาวะตัณหาเลิกวิภาวะตัณหาได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี่ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังอริยสัจสีได้ยินได้ฟังไตรลักษณ์ได้ฟัง อันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ก็ไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับการมรรตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาได้นี่คือความแตกต่างของผู้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันกับในสมัยอดีตในสมัยยุคล่แรกของการเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้าจะส่งไปสอนผู้ที่มีศีลสมาธิ เต็มรอยแล้วพอสอนอริยสัจสี่สอนใจรักเขาก็สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีระหยุดกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาได้ทันทีบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลย แต่ต่อมาหลังจากที่ได้ทรงสอนพวกที่เป็นนักบวชที่มีศีลมีสมาธิแล้วหมดไปแล้วก็ลองมาสอนกลุ่มที่สองคือพวกนักบวชที่มีแต่ศีลยังไม่มีสมาธิ พวงนี้ฟังธรรมยังไงก็ไม่บรรลุเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยต้องสอนให้หัดนั่งสมาธิก่อนให้เจริญสติในสติปัฏฐานสี่ให้ฝึกนั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกให้เจริญอาณาปณ ะ, ะสติฝึกจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาก่อน พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วพอถอนออกจากสมาธิก็ให้มาศึกษามาสั่งสอนจิตใจให้เห็นใจรักให้เห็นอริยสัจสี่นพอไม่นานพวกนี้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ยังไม่สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังธรรมเพราะมีแต่ศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา พอไปฝึกสมาธิได้สมาธิแล้วพอเอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาไข้กวนมาพิจารณาพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งต่างๆก็ต้องปล่อยวางต้องไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นนู่อเป็นอย่างนี้ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาพอ สอนใจด้วยปัญญาแล้วมีสมาธิที่จะคอยยับยั้งจิตใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆได้ไม่ช้าก็เร็วใจก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ตามลำดับเนะนี่คือพวกกลุ่มที่สองที่สอนหลังจากสอนกลุ่มแรกแล้ว กลุ่มที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังก็มาสอนกลุ่มที่สองให้มาสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นก่อนนที่ยังยังไม่มีศีลพวกที่มีศีลเป็นนักบวชแล้วก็สอนให้ฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิก่อนแล้วพอมีสมาธิก็สอนปัญญาต่อไป พอเขาทำสมาธิได้พอเอาธรรมะคําสอนที่ได้ยินได้ฟังมาพิจารณาก็สามารถนําเอาไปกําจัดกิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ต่อไปพวกนี้เป็นกลุ่มที่สองที่พระเจ้าทรงสอนแล้วพอกลุ่มนี้ลหลังจากนั้นก็มาสอนกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ ยังไม่มีศีลของนักบวชเป็นพวกคารวะผู้คองเรือนแต่มีความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติในการสั่งสอนของพภพเจ้าก็ส่งสอนให้เขามาหัดถือศีลของนักบวชเช่นให้ไปอยู่วัดในวันพระไปถือศีลแปดวันธรรมดาก็ให้ถือศีลห้ากันไปเพราะยังมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดูแลครอบครัว อยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองอยู่ก็ให้มาฝึกสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมในวันหยุดทํางานแล้วอยู่บ้านถ้ามีเวลาว่างเช่นก่อนนอนหรือหลังจากตื่นนอนขึ้นมาก็ให้หัดภาวนากันให้หัดเจริญสติไหวพระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรร ม, มนั่งสมาธิกันไป ฝึกกันอย่างนี้ไปก่อนพอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบก็จะเห็นคุณค่าของความสุขที่ได้จากความสงบว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนการหาความสุขจากการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปหาความสุขจากการภาวนาให้มากขึ้น อพอภาวนาได้มากขึ้นได้สัมผัสกับความสุขมากขึ้นก็ยิ่งมีกำลังใจมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเดี๋ยวในที่สุดก็อยากจะไปบวชกันอยากจะไปปฏิบัติอย่างเต็มร้อยก็จะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็จะบริจาคไปสละไปเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยนั่นเองเด แล้วพอไปปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเดี๋ยวก็ได้ศีลบริสุทธิ์เต็มร้อยได้สมาธิเต็มร้อยได้ปัญญาเต็มร้อยพอได้ศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยก็จะได้มรรคผลนิพพานเต็มร้อย ได้บรรลุทำขั้นต่างๆกันอย่างรวดเร็วภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าใครก็ตามถ้าสามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้เต็มร้อยคือปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนนั่นเองเรียกว่าปฏิบัติเต็มร้อย คือจะไม่ทำงานอะไรอีกแล้วนอกจากการกำจัดกิเลสตัณหาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่เองถ้าปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นคนเก่งคนฉลาดภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุทำได้ถ้าฉลาดน้อยหน่อยก็เจ็ดเดือนถ้าฉลาดน้อยกว่านั้นก็เจ็ดปีแต่รับประกันได้ว่า ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยโอกาสอย่างนี้จะมีเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวในขณะที่มีพระพุทธศาสนามาบอกทางถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะต้องบำเพ็ญแบบพระโพธิสัตว์ไปก่อน กว่าจะได้มาตัดสุโรมาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องใช้เวลาเป็นกับเป็นกันเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่ต้องต้องบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์มาอย่างชกใช้เวลาอันมากมายมาต้องมาเจริงเป็นพระเจ้าสิบชาติก่อนกว่าจะได้มาถึงขั้นสุดท้ายคือมาบรบวชแล้วมาตัดสุโรนี้ แต่ในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตนี้ต้องพยายามสร้างบารมีต่างๆสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างศีลบารมีสร้างนมคขมะบารมีสร้างอุเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยสัจจะบารมีด้วยขันติวิริยบารมีขันติบารมี การสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ใช้เวลาเป็นกับเป็นกันพระพุทธเจ้าของเรานี้กว่าจะได้มาตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องใช้เวลามากถึงจะพบทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พวกเรานี้โชคดีไม่ต้องเสียเวลามีคนบอกทางมีคนมาทำถนนให้เราแล้วระวัง สร้างถนนเองกับมาเดินทางบนถนนที่เขาสร้างให้เสร็จแล้วอย่างไรจะง่ายกว่ากันคิดดูถ้าเราต้องมาสร้างถนนจากที่นี่ไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องใช้เวลานา น, านสักเท่าไหร่กว่าจะสร้างเสร็จแต่นี่มีคนสร้างถนนให้เราแล้วเพียงแต่ให้เราเดินไปเท่านั้นหรือขับรถไปเท่านั้นเดี๋ยวเดียวก็ถึง เหตการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นการย่นเวลาของการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้ให้สั้นลงเหลืออยู่เพียงภายในชาตินี้เลยไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีวิริยะความอุตสาหะความภาคเปลี่ยน ที่จะน้อมเอาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่ทำแบบเป็นงานอดิเรกไม่ใช่เป็นงานว่างถึงค่อยทำต้องถือว่าเป็นงานอาชีพเป็นงานหลักถึงจะสามารถที่จะได้รับประโยชน์จาก พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่คือสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่ยานนาวแสนที่ยาว น, นานแสนานานนี้มาให้สิ้นสุดลงภายในภพนิชานี้ได้จะทำได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าสมมติว่ามาเกิดในยุคนี้แต่ไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่รู้ทางกันไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าทางที่จะไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไปทิศทางไหนไปอย่างไรก็จะต้องคำทางไปเหมือนคนตาบอดคนตาบออนี่ถ้าต้องให้ไปงมหาเข็มในทะเลนี่คิดดูว่าจะยากขนาดไหนหมีขนาดคนตาดีให้ไปงมเข็มยังงมกันไม่ได้ อย่าว่าแต่เข็มเลยเครื่องบินตกยังหากันไม่ได้เลยเนี่ยเครื่องบินตกมากี่ปีแล้วในทะเลเนี่ยยังหากันไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรถ้าต้องเอาคนตาบอดไปง ม, งมเข็มในทะเลพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาเจอถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราจะเป็นเหมือนพวกคนตาบอดงมเข็มในทะเลกันโอกาสที่จะพบนั้นไม่มีทาง ไม่มีโอกาสจะต้องงมกันไปเรื่อยๆจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยๆแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เราไม่ต้องไปงมแล้วมีคนมีคนมาบอกพิกัดแล้วถ้าเรามีเครื่อง GPS เราก็พิมพ์พิกัดเข้าไปมันก็จะพาเราไปถึงจุดที่เราต้องการไปทันทีนี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาน ที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งที่จะมาบอกทางให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงถือว่าเป็นโอกาสทองเป็นอย่างยิ่งเป็นโอกาสที่ยากอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพังงน 100, 000, 000, ครั้งรางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งยากยิ่งกว่า การการกตัตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งนี้ง่ายกว่าการมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะการมาพบกับพระพุทธศาสนาได้นี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนแล้วก็มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการาสืบทอดศาสนาให้อยู่ได้ะไ ร, ระยะหนึ่ง สำหรับพุทธศาสนาของเรานี้ก็จะมีอายุประมาณห้าพันปีด้วยกันหลังจากห้าพันปีแล้วถ้าเรากลับมาเกิดในโลกนี้ก็จะไม่เจอพระพุทธศาสนาก็จะเป็นยุคมืดยุคเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเองต้องศึกษาเองต้นคนต้องคน้งคนคว้าเอง อันนี้แล้วการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาได้บ่อยตายไปนี่ไม่รู้ว่าจะต้องไปใช้บุญใช้กรรมอยู่ที่ไหนบ้างทำบาปทำกรรมมามากมาน้อยเพียงไรทำบุญมามากมาน้อยเพียงไรก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนจนกว่าผลบุญผลบาปไม่สามารถที่จะดึงใจของเราให้ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆได้ ถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งหน้าอาจจะอีกไม่รู้กี่ร้อยปีอีกกี่พันปีไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่าบาปบุญที่เราทำนี้มันมีมากมีน้อยเพียงเลยดังนั้นโอกาสที่สมมติถ้าเกิดเราตายไปก่อนที่เราจะสามารถได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าคราวหน้าเรากลับมาเกิดนี้ ศาสนาจะหายไปจากโลกนี้แล้วหรือยังถ้ามาอีกหลังจาก 2,500 กว่าปีนี้ไปก็จะไม่มีศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้ถ้ามีก็ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ว่าวิธีที่จะปฏิบัติตามคาสอนนี้ปฏิบัติกันอย่างไรก็จะมาเกิดจะมาอาจจะมาเห็นเจดีย์เห็นโบสถ์ เห็นคำพีต่างๆแต่ไม่มีใครศึกษาไม่มีใครอ่านกันไม่มีเข้าใจภาษาของคำพีมีไว้เป็นเหมือนกับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชาเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะมาบอกทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นชาตินี้ต้องถือว่าเป็นโชคมหาศาลของพวกเรา ที่ได้มาเจอทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังมัววุ่นวายกับเรื่องราวอื่นๆ อ, อยู่ไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติก็แสดงว่าเรากำลังปล่อยสิ่งที่มีคุณค่าให้หลุดจากมือเราไปแล้วจะมาเสียใจในภายหลัง บางคนนี่เวลามาเข้าวัดตอนแก่ถึงมาร้องห่มร้องไห้ว่ารู้อย่างี้เข้าตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวดีกว่าเพราะตอนแก่นี่แหมจะทำอะไรสักอย่างมันแสนจะยากรักษาศีลดก็ยา ก, กินอดข้าวเย็นก็ไม่ได้เป็นคนแก่จะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ไหวเจ็บค้างเจ็บข า, เ จ, บขาเจ็บหลังจะให้ทำอะไรแต่ละอย่างนี่เสียวก็มันยากไปหมดเลย ก็เพราะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มวัวแต่คิดว่าไว้ไวไวแก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัดเนตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีเวลาขอหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสอ๋อความสุขจากลาบยศสรรเสริญไปก่อนแต่พอแก่ก็จริงๆแล้วถึงจะรู้ว่ามันยากเวลามีอายุมากแล้วเวลาสังขารร่างกายมันแก่แล้วนี้มันจะทำอะไร ไม่ได้ง่ายไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนสมัยตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวกัน <c oughs> ก็มีแต่ร้องไห้กันบางคนน้ำตาไหลเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้นี่เรียกว่าคือความประมาท <c oughs> ขอให้เราอย่าประมาทกัน ให้หมั่นพิจารณาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นพระปัจฉิมโมวา่อนที่พระเจ้าจะตกักเราจากพวกเราไปพระ อ, องค์ทรงห่วง้วพวกเราที่ทรงเห็นว่าพวกเรามันชอบประมาทกัน ชอบผัดวันประกันพรุ่งกันไม่ยอมเข้าหาธรรมะกันได้ต้องต้องฝากคำสอนครั้งสุดท้ายว่าให้หมั่นพิจารณาสังขารร่างกายอยู่เรื่อยๆว่าหลังการร่างกายเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วจงรีบปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันเถิด อย่ามัวเสียเวลากับการไปหาความสุขแบบชั่วคราวกันเลยความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอถึงเวลาที่ต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายความสุขต่างๆที่เคยหาได้จะไม่สามารถหาได้อีกต่อไปก็จะไม่มีอะไรมากําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายกัน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 มีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความพัดพากจากกันไปไม่ได้ทำไมจึงต้องให้สวดทุกวันเพราะถ้าไม่สวดทุกวันมันจะเปลอมันจะลืมแล้วจะไม่คิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพัดพากจากกันพระพุทธเจ้าเธอเคยถามพระอรนนท์ว่าอนนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งอนนท์ก็บอกว่าวันละสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน พระพุทธเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่เพราะว่าความตายมันเกิดได้ทุกเวลานาทีถ้าเธอไม่ประมาทเธอต้องคิดอย่างนี้ว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย ให้ละเลิกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วเธอจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบมาทำภารกิจที่สำคัญอันนี้ให้มันเสร็จสิ้นลงไปอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขแบบไร้สาระเลยเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะยึดเอาไว้เป็นเป็นเครื่องมือเป็นที่พึ่งทางใจได้เลยเวลา ใจเกิดความทุกข์ความสุขต่างๆที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่รู้จะหายไปไหนหมดมีทรัพย์ก็เหมือนกับไม่มีทรัพย์เพราะว่ามีทรัพย์เท่าไหร่เวลาเกิดความทุกข์ทางใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจได้เ แต่สิ่งที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ก็คือทรรมที่เราปฏิบัติกันนั่นเองถ้าเราปฏิบัติทมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนถึงขั้นที่เราสามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆได้หมดไปจากใจแล้วเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายนี้เราจะไม่ทุกข์เลยเราจะไม่มีความ หวาดกลัวเลยเราจะไม่มีความทรมานใจเลยเราจะตายอย่างสงบตายอย่างสบายตายแบบพระพุทธเจ้าตายแบบพระอาหารหันตสาวกใจของท่านนี้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายท่านมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดติดของจิตใจ อะไรไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาทำกันถ้าเรายังทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายทุกขกับการพัดพาคจากการอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีงานต้องทำอยู่เราต้องทำภารกิจนี้ให้สิ้นเสร็จสิ้นให้ได้ต้องสอนใจให้ปล่อยวาง สิ่งต่างๆรวมทั้งสังขารร่างกายที่เรามีนี้ปล่อยให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันเมื่อเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเร า, าจะไปทำอะไรอย่างอื่นต่อไปก็ทำได้อยากจะไปช่วยใครอยากจะไปสอนใครก็สามารถไปทำได้เพราะเราเรียนจบแล้วเราทำภารกิจของเราได้เสร็จสิ้นแล้วดังที่พระพุทธเจ้าส่งตัดว่าจงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อม ก่อนที่จะไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอย่างนั้นถ้าเรายังประมาทอยู่ก็ให้หมันระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพยายามระลึกให้ได้วันละร้อยครั้งได้ยิ่งดีแล้วมันจะทำให้เรานี้ไม่อยากจะไปทาอะไรอย่างอื่นแล้ว พอรู้ว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาถ้าไม่ได้เป็นธรรมะแล้วมันจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของทางใจของเราได้พอเวลาใจเราทุกเราจะไม่มีที่พึ่งทางใจสู้เรามาหาธรรมะกันดีกว่ามาหาที่พึ่งทางใจกันดีกว่าเพราะว่าต่อไปไม่ช้าก็เร็วใจเราจะต้องทุกข์กันอย่างแน่นอนเราจะต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาภาวนากันเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเท่านั้นเท่านั้นถึงจะทําให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับอะไรต่างๆได้ทําทานอย่างเดียวก็ยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้รักษาศีลอย่างเดียวก็ยังทําก็ยังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ สิ่งที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คือสมัมมาวนานลาวิปัจจนาภานาถ้าได้สมัมมาวนาเพียงอย่างเดียวก็จะไม่ทุกข์ตอนที่เราเข้าสมาธิเวลาเราทุกข์ทางใจเราก็เข้าสมาธิไปก็หายทุกข์แต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวใจก็ทุกข์ขึ้นมาได้ใหม่เพราะว่ายังไม่ได้กําจัด ต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้าต้องการที่จะให้ไม่ทุกข์ทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิก็ต้องจเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปอยากให้เที่ยงจะทุกข์เพราะว่าเราไปอยาก ไปบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิออกมาจากสมาธิก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นวิปัสสนาให้ได้แต่ก่อนจะถึงก็ต้องมีสมถะภาวนาเ ป, นเป็นผู้สนับสนุน แล้วก่อนที่จะได้สมมทภาวนาก็ต้องมีศีลแปดศีลห้าเป็นผู้สนับสนุนแล้วก่อนที่จะได้ศีลแปดศีลห้าก็ต้องมีการทำบุญทำทานเป็นผู้สนับสนุนนี่คือธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนที่จะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติได้ก้าวสู่ทมขั้นสูงสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามปฏิบัติตามกำลังของเราทำทานตามกำลังรักษาศีลตามกำลังภาวนาตามกำลังแล้วพยายามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามาก แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มร้อยอย่างแน่นอนแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุระปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก an ัรปฏิยิชิต um ังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวา อพิวาทานาสิลิสนิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรมมวะาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเ a c e b o o k 416 y o u ส u b e 2ยูหวิทยุ ออนไลน์สามสิบสองผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยห้ารวมทั้งสิ้นแปดร้อยเก้าท่านค่ะวันนี้กึ้นถึงแปดมีคำถามไม่เจต t า a อยู่กันขาประจำเนี่ยชอบมาถามมากแปดถามทีละข้อฉลาดเนี่ยไม่ถามแปดข้ อ, อทีละข้อ มีใครอยากถามก็ถามได้นะจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความขึ้นมาก็ได้ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนคำถามจากคุณโกพงค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเรียนถามว่า ถ้าเราสั่งเนื้อสัตว์เช่นหมูไก่ที่ตลาดโดยสั่งล่วงหน้าไว้แบบนี้ถือว่าสั่งค่าสัตว์ไหมเจ้าคะก็สั่งแหละถ้าเราบอกเขาก็เท่ากับสั่งก็แล้วถ้าไม่สั่งก็ต้องไปที่ร้านแล้วถามเขาว่าวันนี่มีเนื้อมีเนื้อกี่ตัวมีไก่กี่ตัวที่เขาค่าแล้ว ถ้าเราไม่ได้สั่งแล้วไปซื้อของที่เขาฆ่าแล้วก็ไม่บาปเพราะเราไม่มีส่วนในการสั่งหรือในการทําเองจะบาปก็ต่อเมื่อทอําเองฆ่าเองหรือสั่งให้ผู้อื่นเขาฆ่าให้เราแต่ถ้าเราไปซื้อเพราะเขาฆ่ามาแล้วนี้เราไม่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่านั้นก็ไม่บาปเงี้ยถ้าเราไปสั่งไว้ก่อนพวกนี้เอาไก่สามตัวนะเนี้ยบาป แต่ถ้าไปถามว่าวันนี้มีไก่สามตัวไหมถ้าออกมีก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปคำถามต่อไปจากคุณมอร์ดอนแฮร์ค่ะอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าเราอยากตัดทางโลก หันหน้าเข้าหาทางธรรมแต่ที่บ้านบอกว่าการบวชได้บุญน้อยกว่าการดูแลแม่ที่บ้านเลยเกิดข้อสงสัยพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งพ่อแม่และทรัพย์สินชื่อเสียงหรือพระสงฆ์ที่มาบวชก็ทิ้งพ่อแม่มผิดไหมคะถ้าเราจะละทิ้งหน้าที่ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะคือการไะบวชก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ดูแลพ่อแม่ พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อาหารบิณฑบาตก็แบ่งไปให้พ่อแม่ได้ยารักษาโรคที่ได้มาก็แบ่งให้พ่อให้แม่กินได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ทิ้งพ่อทิ้งแม่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทิ้งพ่อทิ้งแม่ แล้วพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสรู้แล้วก็มาดูแลพ่อแม่ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรู้ถ้าตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรู้ดูแลได้ก็เพียงแต่ทางร่างกายแต่พอมาตัดสรูน้นี่มาดูแลทางจิตใจที่มีความสำคัญยิ่งกว่าทางร่างกายเป็นน้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจยังมีปัญหาติดอยู่กับใจต่อไป ถ้าไม่มีผู้ที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาของจิตใจปัญหาของจิตใจก็อยู่ติดไปกับใจไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอพระพุทธเจ้าได้แก้ปัญหาทางจิตใจได้แล้วก็มาสอนให้พ่อแม่แก้ปัญหาทางจิตใจซึ่งทําให้แก้ได้อย่างราบขาดไม่มีปัญหาอีกต่อไปคําถามจากคุณพัชชาค่ะ ในขณะที่สวดมนต์หรือฟังเทศท่องพุโทโธไปด้วยแต่สมองก็ไปคิดเรื่องอื่นๆซึ่งก็สามารถสวดมนต์ไปได้ปกติไม่หลงลืมบทสวดมนต์ถ้าเป็นแบบนี้ถือราถือว่าเรายังขาดอยู่คือขาดสติอยู่ไหมคะคือสติเรายังมีกำลังไม่มากพอ ที่จะบังคับให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวใจยังวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสวดมนต์กับการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ <night. S 2> <K> ไม่เป็นไรเ <SC. S 1> <vì S 2> พราะนี่เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติในระยะเริ่มแรกๆจิตใจยังไม่มีสติมากที่จะบังคับคให้อยู่กับเรื่องเดียวมันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็พยายามบังคับให้มันอยู่กับการสวดมนต์ก็แล้วกัน They. แล้วก็อย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่มันคอยแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราคอยจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ไปอย่างเดียวต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วความคิดต่างๆก็จะแทรกเข้ามาได้น้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีความคิดแทรกเข้ามาเลยเพราะฉะนั้น ในเบื้องต้นเวลาเราจเจริญสติแล้วมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาก็อย่าไปสนใจมันอย่าไปอยากให้มันไม่เข้ามามันจะทาให้เราเครียดล้วจะทาให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายเราต้องใจเย็นๆการสร้างสตินี่ต้องคอยเกาะติดอยู่กับบทสวดมนต์เกาะติดอยู่กับพุทโธไปหรือเกาะติดกับอารมณ์ใดที่เรากาหนดให้เป็นตัวตั้งของสติแล้วก็ ก็ติดไปกับอารมณ์นั้นสิ่งนั้นแล้วต่อไปมันก็จะติดอยู่อย่างแนบแน่นแล้วก็จะไม่ยุง่งไม่คิดถึงเรื่องอื่นได้หมดแล้ ว, ลวเลยอา่เอาเชิญต้องปิดใบทั้งนี้ก่อนนะอา่อาขอขอากาศค่ะพี่การพูดใกล้ๆปากหน่อยดังๆหน่ยอยค่ะ กลาวธรรมสการขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีรับกับทุกขเวทนาทางกายที่รุนแรงได้อย่างไรในขณะที่สติและสมาธิของเรายัางตั้งมั่นไม่มากพอคะ่ะไม่มากพอก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นเวลาเกิดความเจ็บก็พยายามสวดมนต์ไปสวดอิติปิโสร้อยจบไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บไปให้มันเจ็บไป เป็นเจ็บความเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายความทรมานเป็นเรื่องของใจที่ไม่ขาดสติเราก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาในตอนนั้นด้วยการพยายามบังคับให้มันสวดมนต์ให้มันจดจ่ออยู่การสวดมนต์หรือให้มันจดจ่ออยู่กับพุโทโธถ้าพุโทโธคำเดียวมันมันสั้นมันเบื่อก็เอาบทสวดมนต์ก่อนสวดอิติปิโสไปร้อยจบสวดไปเรื่อยแล้วใจเราจะไม่ทรมานในลักษณะแบบนี้นี่ เราควรจะทานยาเพื่อบรรเทาหรือว่าควรจะใช้ธรรมะในการรักษาอย่างเดียวค่ะก็อยู่ที่กําลังของเราถ้าเราสามารถใช้ธรรมะอย่างเดียวได้ก็ใช้ธรรมะดีวกรรดว่าธรรมะโอสถนี้เป็นยาที่แท้จริงถ้า uh huh. ยาทางร่างกายมันก็ไปลดความปวดทางร่างกายแต่ความทรมานทางใจมันก็ยังอยู่เพราะใจยังอยากจะให้มันไม่ปวดให้มันหายหรือไม่อยากให้มันกลับมาอีก เนนถ้าแก้ทางใจแก้ด้วยธรรมโอสถได้ก็ดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่ธรรมโอสถยังมีกำลังไม่มากพอแล้วทนกับความเจ็บปวดไม่ไหวก็กินยาเป็นด้วยก็ได้ประดีเป็นโรคเกี่ยวกับ กรดูกสันหลังถึงเส้นเลยค่ะแต่พยายามเลิกใช้การใช้ยาได้ยิ่งดีเพราะยามันมีทั้งขุณมีทั้งโทษ่ก็ได้รับผลข้างเคียงของยาค่อนข้างมากได้แล้วทําให้เราติดด้วยติดยาด้วยกับขอบคุนถ้าเลิกได้ก็เลิกถ้ายังเลิกไม่ได้ก็พยายามลดมันลงไปแล้วเพิ่มยาทางจิตใจเพิ่มธรรมะโอสถให้มากขึ้นมันสวดมนต์อย่าไปสวดเฉพาะตอนที่ปวดเนียตอนที่ไม่ปวดก็สวดไปเรื่อยๆ มันติดเป็นนิสัยไปแล้วเวลาสวดต่อไปเวลาต้องสวดมันจะสวดได้อย่างสบายพยายามสวดไปหรือพยายามพุทธโธไปก็ได้บริกรรมอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบพุทธทางสรนังกระชามิก็ได้อ น, นี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้ขอให้เราให้อยาบไปคิดถึงความเจ็บอยาบไปอยากให้ความเจ็บมันหายเท่านั้นแล้วใจเราจะไม่ทรมาน คำถามจากคุณบ๊อบเบนค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าหากเราได้จิตผู้รู้แล้วตัวผู้รู้นี้จะเกาะเราตลอดไปไหมครับถ้าหากว่าเรายังภาวนาต่อเนื่องกลับขอบพระคุณครับ คือจิตมันอยู่กับเรามาตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ให้ความสําำกำกับมันไม่ดูมันเราก็เลยไม่รู้จักมันเท่านั้นแหะแต่พอเรามาปฏิบัติทำมาฝึกสติก็เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเราจากเรื่องอื่นให้มาอยู่กับใจของเราอยู่กับผู้รู้เราก็จะอยู่กับมันไปตลอดต่อไป มันอยู่กับเราตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ไปรับรู้มันไม่ไปสนใจมันมัวแต่ไปสนใจกับเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องคนนั้นคนนี้ <c oughs> ก็เลยไม่รู้จักเรื่องของตนเองไม่รู้จักเรื่องของใจ <c oughs> ลยไม่รู้เวลาใจทุกเลยไม่ว่าจะกาจัดความทุกข์ได้อย่างไร พอเราเปลี่ยนเป้าหมายจากการไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นคนอื่นมาให้ความสำคัญกับใจเราก็จะเริ่มเห็นว่าทุกของเราเกิดจากอะไรและวิธีจะดับทุกนี้ดับได้อย่างไรต่อไปเราก็จะไม่อยากจะไปสนใจกับใครเพราะสนใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะทำให้เราทุกข์ซึ่มาสนใจกับใจเราดีกว่าแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไป คำถามจากคุณรัชนีค่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะระหว่างวันหนูทางานไปก็สร้างสติรู้กายรู้ใจแต่จะเกิดอาการคือมีความเย็นเกิดขึ้นในบริเวณในคอหรือบางทีก็รู้สึกว่าฟันด้านหน้าเย็นทั้งๆ ท, ที่อากาศร้อนหนูควรทำอย่างไรบ้างเพราะทุกครั้งที่เกิดภาวะนี้จิตมักจะมาจับบริเวณคอหรือฟันไม่พิจารณาอย่างอื่นขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะ ก็ไม่ควรไปสนใจก็ปล่อยมันเป็นไปรับรู้ไปเฉยๆรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเดียวมันก็ดับไปไม่มีคลาระประโยชน์อะไรกับเราให้เรามาให้ความสําคัญกับการรับรู้ทางจิตใจดีกว่าถ้าให้เราอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอาการอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายการถือศีลห้าและศีลแปดอย่างไรจึงจะเป็นศีลที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงค่ะก็ไม่ไปทามันแคนั้นเองไม่ได้ฆ่ามันก็บริสุทธิ์ข้อหนึ่งแล้วไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นการบริสุทธิ์ข้อที่สองแล้วไม่ไปประพฤติผิดประเพณี คือไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่เป็นสามีภรรยากันไม่โกหกพูดความจริงไม่ดื่มสุรายาเมามันก็ตรงไปตรงมาแล้วไม่รู้จะให้อธิบายยังไงมากไปกว่านั้นไม่ให้กินอาหารเย็นหรือถ้าเป็นถือศินแปดสินสามก็เปลี่ยนเป็นจากการไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาไม่ให้ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลยให้อยู่คนเดียว ไม่นอนคนเดียวหมอนข้างก็ไม่ให้มีบางคนนอนคนเดียวยังต้องมีหมอนข้างก่อดอีกอันนี้ก็เหมือนกับเอาหมอนข้างมาเป็นแฟนโดยไม่รู้สึกบนะหมอนข้างก็ไม่ให้มีนะแล้วก็ให้นอนบนพื้นแข็งๆไม่ใช่พูกหนาๆไม่ต้องการให้นอนมากให้เอาเวลามาภาวนามาหาความสุขทางใจ สินข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงงานสังคมงานอะไรต่างๆนี้เลิกหมดไม่ต้องแต่งตัวสวยๆงามๆให้แต่งตัวแบบสะอาดเรียบร้อยนุ่งขาวห่มขาวอะไรไปแล้วก็ไม่ไม่ไปข้างนอกอยู่บ้านหรืออยู่วัดนี่นี่คือการถือศีลแปดเป็นอย่างนี้ ต่เบอร์สุดมากเบอร์สุดน้อยก็หยิ่ใ้ว่าขาดมากหรือขาดน้อยบางทีขาดข้อนั้นบางทีขาดข้อนี้ขาดทีหนึ่งมันก็ขาดมันก็ไม่ได้ขาดไปแบบร0อยเปอร์เซ็นตมันก็ขาดไปหนึ่งเปอร์เซ็นตถ้าเคยได้รักษาเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนได้สี่จุดพอ ตอบคำถามไม่ได้ข้อหนึ่งก็ลดลงเหลือสามจุดเก้าอะไรอย่างนี้เศีนก็แบบนั้นถ้ารักษาได้ทุกข้อตลอดเวลาก็ได้สี่จุดพอขาดไปข้อหนึ่งก็ลดลงเหลือสามจุดเก้าอะไรทํานองนั้นเฮอเดี๋ยวต้องเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวต้องเอาไมก่น <c oughs> อ, อกน <c oughs> ไม่ใช่เขาหนึ่งเขาไม่ได้ยินไะคุณไม่เป็นไรแต่คนหนึ่งยเขาเป็นไรคุย<ม>ใกล้ใกล้ปากโย ม, มีเลี้ยงหมาอยู่ด้วยแล้วก็กลางคืนมันปีนขึ้นมานอนด้วยทุกคืนเลยค่ะพระอาจารย์อย่างนี้จะถือว่าผิดศีลหรือเปล่าคะถ้าถือศีลแปด ก็ไม่ร่วมหลับนอนกันแบบไม่เสพกามกันก็ไม่เป็นไรนะก็หนแบบว่ายมเห็นว่าหมอนข้างยังไม่ได้ตอนนี้สำหรับพวกที่ถือศีลแปดไอถ้าถือศีลห้านี้ก็ยังมีอะไรได้อยู่แต่อย่าไปร่วมสังวาดกันก็แล้วกันตั้งเสพสังวาดกับสามีหรือภรรยาของตอนทนนั้น คืออย่าไปทํากิจกรรมทางเพศกับผู้อื่นนอกจากสามีและภรรยาถ้าถือศีลห้าถ้าถือศีลแปดก็ไม่ให้มีกิจกรรมทางเพศเลยแม้จะไม่ได้เป็นกิจกรรมเต็มร้อยเช่นไปกอดไปกอดกับหมอนข้างก็มีเป็นกิจกรรมทางเพศเหมือนกัน <laughs> คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะระหว่างความจําไม่ดีกับไม่มีสติมันต่างกันอย่างมันต่างกันไหมคะออต่างกันความจําก็คือลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าความจําเมื่อกี้ถามคนนั้นว่าชื่ออะไรเดี๋ยวพออีกปั๊บหนึ่งลืมแล้วว่าชื่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าความจำโดยส่วนสตินี่คือการรู้ว่ารู้ว่ากําลังทําอะไรรู้ว่ากําลังถามชื่อเขาชื่ออะไร แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าลืมชื่อเขาแล้วเรียกว่า ม, มีสติแต่ไม่มีความจาความจาไม่มีแต่รู้ว่าได้ถามเขาว่าถามเขาแล้วว่าเขาชื่ออะไรเวลาทำอะไรรู้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีสติกำลังขับรถรู้ว่ากำลังขับรถใจไม่ได้ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับการขับรถเรียกว่ามีสติ ถ้าขับรถไปแล้วไม่รู้ว่าขับไปถึงไหนแล้วมัวแต่คิดถึงปัญหาทางด้านอื่นนี่เรียกว่าขับรถแบบไม่มีสติคำถามจากคุณศรีสุดาค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะคนที่ทำอาหารขายรู้ทั้งรู้ว่าผงชูรสต่างๆมีอันตรายต่อร่างกายแต่มนุษย์ก็ยังใส่เข้าไปเยอะๆเพื่อให้มีอาหารรสชาติดีและได้ปริมาณ มากๆอย่างนี้ผิดศีลเป็นบาปหรือเปล่าเจ้าคะก็ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายมันก็เป็นบาปแต่บาปมันก็อยู่ที่ว่าหนักหรือเบา ผู้ที่ผู้ที่เขาเสียหายเขาเสียหายมากน้อยถ้าถึงกับชีวิตก็ถึงกับขั้นปนานาติบาถ้ายังไม่เสียชีวิตก็กบาปก็น้อยลงหน่อยนันอย่าไปทำอะไรผู้อื่นเขาให้เกิดความเสียหายคำถามจากคุณยาย่าค่ะ กราบนมัสการขอถามว่าการบุกรุกที่ดินของผู้อื่นย้ายชนดที่ดินโดยเจ้าของที่ดินไม่ทราบถือว่าผิดศีลข้อสองอธินาธาไหมครับแน่นอนก็เอาของคนอื่นไปเป็นของเรามันก็ผิดแล้วเพ่นปลอมลายเซ็นเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่นี่ฮก็คาว่าปลอมมันก็หลอกลวงแล้วโกหกหลอกลวงลวปลอมไม่ได้เป็นของตนเองแล้วเป็น เขียนชื่อของคนอื่นเจนไลน์เจนของผู้อื่นเนอะอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นการลักทรัพย์เป็นการหลอกลวงสองข้อหาเลยคำถามต่อไปค่ะ คุณยายสงสัยค่ะว่าคุณยายไปอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมแต่คุณตาไม่ไปหาคุณยายเลยแล้วคุณตาอยู่กับลูกกับหลานแบบนี้คุณยายจะเป็นคนหจะเป็นคนคเห็นแก่ตัวไหมคะจะเป็นบาปไหมคะออไม่เห็นหรอกก็ต่างเวลากินข้าวก็ต่างคนก็ต่างกินกันไม่ใช่เลยถ้ากินข้าวเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ต้องกินกันอะไร การไปปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนการไปให้อาหารกับจิตใจก็ใครอยากจะให้อาหารกับจิตใจก็ไปปฏิบัติธรรมใครยังไม่อยากให้อาหารก็ยังไม่ไปก็เท่านั้นเองค่ะค่ะคำถามจากคุณครูใจดีค่ะขาดสติ บ, บ่อยค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำหลักธรรมนำไปบริหารโรงเรียนครูนักเรียนพอกกำลังประเมินโรงเรียนคุณธรรมของสอพทเจ้าค่ะ ก็เรื่องของประเมินเขาก็ปล่อยเขาประเมินไปเรื่องของเราเราก็ต้องดูแลส่วนที่เราบกครองถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องพยายามฝึกสติให้บ่อยขึ้นให้มันพุทโธพุทโธหนึงจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ลอยไปกับอดีตลอยไปกับอนาคต ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่งานของเราก็จะได้ทำได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพถ้าเราทำงานแบบใจลอยมันก็ทำแบบผิดผิดทุกๆมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพผลมันก็จะออกมาไม่ดีเวลาเข้ามาประเมินก็จะไม่ผ่านเหรอนันต้องมีการฝึกสติอยู่ได้เรื่อยคอยควบคุมใจของเราให้อยู่กับงานที่เรากาลังทาอยู่ อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่กำลังทำงานอยู่แล้วจะได้ทำได้ถูกได้ดีคำถามต่อไปจากคุณนงลักษ์ค่ะกลับเรียนถามขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าบ er ุญฤทธิ์เจ้าค่ ะ, ะเราก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่เรารู้คำว่าบุญก็บุญก็เป็นอย่างหนึ่งฤทธิ์ก็เป็นอีกอย่าง บุ ญ, ญยอนิดก็แปลว่านิดของบุญไงนิดของบุญมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าบอกมีอยู่สิบประการด้วยกันบุญที่เกิดจากการมีความเมตตาจะเป็นทําให้เป็นที่รักของผู้อื่นคนจะรักคนที่ใจบุญใจเมตตาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีอาจจะมีเทวดาคุ้มครองจะไม่ได้ตายด้วยอาวิธ อ, อายุ อาวุธหรือยาพิษเนี่ยตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายมีผิวพรรณหน้าตาผ่องใสเวลาทำสมาธิจิตก็จะสงบง่ายถ้าตายไปถ้ายังไม่ถึงทำขั้นสูงสุดก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆคือตายไปก็จะไปสู่สุคตินี่คือฤทธ ของบุญของผู้ที่ได้ทําบุญจะได้รับผลประโยชน์เหล่านี้นี่คือฤทธิ์ไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศดําดินได้มีตาทิพหูทิพอะไรนี้อันนี้ต้องเป็นฤทธิ์ของสมาธิผู้ที่อยากจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหารต้องฝึกสมาธินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานได้ก็จะสามารถที่จะเข้าถึงอิทธิฤทธิ ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะการนั่งสมาธินี้บางคนก็มีวาสนาที่จะเข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงคนที่มีวาสนาก็จะเข้ามีอิทธิฤทธิต์ต่างๆได้มีตาทิพย์หูทิพย์มีวินัยลึกชาติได้อ่านวาลจิตใจของผู้อื่นได้เหาเหินเดินอากาศได้ดำดินได้แปลงกายได้อะไรทำนองนี้ นี่คืออิทธิฤทธิจะได้จากการฝึกสมาธิแต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งให้ยินดีกับอิทธิฤทธิเหล่านี้เพราะว่าอิทธิฤทธิพวกนี้สู้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ถ้าอยากจะฆ่ากิเลสดับความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสต้องฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่มีนนีิเราเรียกว่าอุปจาระสมาธิ งั้อย่าไปทางอุปจารสมาธิให้ไปทางอัปปนาสมาธิเพราะจะได้อุเบกขาได้กําลังหยุดที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้ามีอุเบกขาก็จะหยุดความรักความชังความกลัวความหลงได้แต่ถ้าไม่ได้อัปปนาได้อิทิฤิตต่อให้มีฤทธิ์ยังไงก็ยังมีความรักมีความชังมีความกลัวความหลงอยู่ก็จะต้องเกิดความทุกข์เวลาเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณเดินตามธรรมะพระพุทธเจ้ากราบเรียนถามครับอบอาหารสามวันความคิดหยุดไปใจสงบแต่พอข้าวันที่สี่วันที่ห้าจิตเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกควรต้องปฏิบัติต่ออย่างไรครับก็แสดงว่าเราไม่ควบคุมจิตนั่นเองถ้าเราต้องการปฏิบัติต่อเราก็ต้องเจริญสติต่อ อย่าปล่อยให้มันคิดเนี่ยถ้าควบคุกต่อด้วยพุโทโธพุโทโธหรือด้วยการเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายมันก็ยังจะสงบได้อยู่คำถามจากคุณป้าหวังปล่อยวางค่ะขอกราบเรียนถามค่ะ การที่เรามีความรู้สึกรักหรือเกลียดใครสักคนหนึ่งที่เพิ่งเห็นหน้ากันนี่เพราะอะไรคะไม่อยากมีความรู้สึกรักหรือเกลียดเจ้าคะ่ะเพราะความทรงจําของเรามันเป็นอย่างนั้นพอเราเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยเกลียดพอมาเห็นใหม่มันก็เกลียดเคยชอบรูปอย่างไหนพอมาเห็นใหม่มันก็จะชอบ เราเพิ่งเราไม่ได้เพิ่งมาเกิดในชาตินี้เราเกิดมาไม่รู้กี่แสนล้านชาตินะเรารักเราเกลียดรูปเสียงต่างๆมามากมายก่ายกองแล้วมันฝังลึกอยู่ในใจเป็นเหมือนกับเป็นความจาภัยเขาเรียกจิตใต้สํานึกพอเห็นรูปที่เราไม่เคยไม่ชอบมันก็จะไม่ชอบทันทีพอได้ยินเสียงที่มันไม่ชอบมันก็จะไม่ชอบทันที แต่ของพวกนี้เรามาแก้ได้ถ้าเราต้องการที่จะหยุดความรักความชังนี้ก็ต้องเป็นฝึกสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธินั่นเองพอได้อัปปนาสมาธิแล้วที่มันก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเคยรักเคยชังอะไรเห็นแล้วพอมันจะรักปั๊บก็หยุดมันได้พอมันจะชังปุ๊บก็หยุดมันได้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยอัปปนาสมาธินี่มีคุณค่ายอย่างนี้ พระพุเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นสมาธิที่สัมมาสมาธิส่วนอุปจารสมาธิที่ได้เหาะเหินเดินอากาศนีท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิอย่าไปทางนั้นเพราะไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจเป็นโทษกับจิตใจคำถามจากคุณมนัส น, นันท์ค่ะ กราบนมัสการค่ะผู้ชายที่เคยบวชเป็นพระสงฆ์มาแล้วพ่อแม่เสียชีวิตจะบวชหน้าไฟเป็นการบวชเนนค่ะจะได้หรือไม่คะบวชได้แต่ไม่ได้อะไรหรอกได้แตเ่เขาเรียกว่าได้แต่จัดฉากเป็นการจัดฉากเท่านั้นเองบวชเหมือนกับซักผ้านี่เอาผ้าใส่นะ ผ้ายังไม่ทันเปียกน้ำก็ยกขึ้นมาแล้วหลอกซักเสร็จแล้วเพราะการบวชนี่คือการซักพอกจิตใจการซักพอกจิตใจจะต้องให้มันสะอาดมันต้องแช่ผ้าไว้ใส่ผงซักพอกเข้าไปแล้วก็ปั่นขยี้มันเสื้อผ้ามันนีงจะสะอาดการบวชเพื่อชำระจิตใจก็ต้องบวชแบบไม่ศึก แต่ยังเรียกว่าเป็นการบวชที่ได้อ น, นิสงส์ได้ประโยชน์แต่ถ้าบวชแบบหน้าไฟนี้ก็ได้แต่การจัดฉากให้คนเห็นโอ้ยรักพ่อรักแม่อุตส่าห์คนผมให้พ่อให้แม่บวชให้พ่อให้แม่แต่ไม่พ่อแม่ก็ไม่ได้บุญเราก็ไม่ได้บุญ เพราะมันยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่รู้เรื่องของการบวชได้ซ้ำไปว่าบวชพระมีสิน227 20ข้อรู้หรือเปล่ารักษาได้หรือเปล่าก็าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตอนที่บวชนี่ไม่รู้ทําให้ผิดศินไปกี่ข้อก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปบวชหน้าไฟมันเป็นการจัดฉากเสียเวลาเปล่าๆอยากจะบวชก็ไม่ห้ามนะก็ไม่ว่ากันเอ ้ะมีความรู้สึกสบายใจก็ทำไปคือทให้เราสบายใจมากกว่าทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยคําำถามต่อไปจากคุณประกายจิตค่ะกรับนมัส ก, การเรียนถามค่ะคนที่นับถือหมอดูจนบ้านแตกลูกบอกก็ไม่ฟังนี่เป็นกรรมอะไรคะก็เป็นความงมงายเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผล ก็เลยทำให้เกิดสิ่งความเสียหายต่างๆขึ้นมาถ้าเชื่อแบบมีเหตุมีผลนี่มันจะต้องดูผลกระทบของการเชื่อของเราว่ามันทำให้เกิดปัญหาอะไรตามมาหรือไม่ คำถามต่อไปจะคุณจินขอค่ะการแก้ความหลงในกายทิพย์ของทิพย์เหมือนกับการแก้หลงในกายหยาบไหมครับเหมือนกันเน่มันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันรูปทิพย์เสียงทิพย์กับรูปหยาบเสียงหยาบก็ติดเหมือนกันยึดเหมือนกันชอบเหมือนกันทุกข์ก็มันเหมือนกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอกราบเรียนถามว่าลูกได้ยินมาว่าผู้ที่จะบรรลุอรหันต์ต้องบวชภายในเจ็ดวันถ้าไม่บวชจะต้องตายนั้นเป็นอย่างไรเจ้าคะไม่เป็นความจริงหรอกงั้นก็ดีสิต้องบวชบวชเจ็ดวันก็ได้เป็นพระอรหันต์กันเลย มันไม่เป็นหรอกการบวชมไม่บวชมันไม่ได้ทาเป็นตัวรับประกันในการเป็นผ้าอาราหารันอันนี้คำถามรู้สึกจะผิดมันเขาถามว่าถ้าเป็นอาราหารันแล้วไม่บวชจะตายภายในเจ็ดวันอันนี้ก็ไม่จริงอ่ะเป็นผ้ า, าหาันหรือไม่หันมันก็ต้องตายเหมือนกันอ่ะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกัน นี้พอดีในในในสมัยพุทธกาลมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนคิดแบบนั้นเพราะมีคนที่เป็นค า, า, ารวะแล้วบรรลุเป็นผ้าอรหันต์แล้วยังไม่ทันบวช ก, ก็ตายไปซะก่อนเหรืออย่างพ่อพระเจ้าก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์เจ็ดวันก่อนตาย เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยพอเป็นพนระอรหันต์แล้วถ้าไม่บวชก็ต้องตายความจริงพ่อของพรเจ้าจะตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปสอนในขณะที่ใกล้ตายสอนให้บรรลุเป็นพน ร, ระอรหันต์พอเดีก็ได้บรรลุก่อนเจ็ดวันจะตายไปคนก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นพนระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชก็ต้องตายภายในเจ็ดวันอันนี้ไม่ใช่เป็ น, ปนความจริงพระอรหันต์นี้ไม่เกี่ยวกับความตายของร่างกาย พาะลานลนี้เกี่ยวกับความตายของกิเลสผู้ที่เป็นพระลานลนี้ได้ฆ่ากิเลสให้ตายไปจากใจหมดแล้วแต่ไม่มามีส่วนที่จะมาสั่งให้ร่างกายตายภายในเจ็ดวันหรือไม่ตายภายในเจ็ดวันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันคำถามจากคุณแดว์ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับอาชีพค้าขายพระเครื่องถือเป็นสัมมาชีพไหม ครับจะผิดไหมครับเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าไม่ควรหากินกับครูบาอาจารย์แต่บางท่านก็เมตตาว่าดีไปกว่าไปทำมิจฉาชีพจะมีส่วนเผยแผ่ศา ส, สนาครับมันก็มันก็ถ้ามองโดย หลักของสัมมาชีพมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเสียหายเดือดร้อนไม่เหมือนกับขายเป็ดขายไก่ทำให้เป็ดไก่มันเดือดร้อนต้องตายเพราะเราการทำมาหากินของเราแต่ขายผ้าเครื่องผ้าเครื่องก็เป็นตุก๊กตาท่านน้เหมือนกับการขายตุก๊กตาต า, ตามร้านขายเด็กขายตุก๊กตาให้เด็กทัานนี้เอง จะเรียกว่ามอมเมาเด็กก็ได้ถ้าขายตุ๊กตาขายพระเครืกก่องมอมเมาพวกเด็กถ้าจิตทางจิตใจยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้ว่าพระจริงๆนั่นอยู่ที่ไหนยังไปคิดว่าพระอยู่ที่พระเครื่องอยู่เท่านั้นเองมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นการมอมเมาให้เขาไปยึดติดกับของที่ไม่น่าจะยึดติดควรจะให้เขาไปยึดติดกับของจริงดีกว่า แต่ถ้าถามโดยหลักทั่วไปของสามาชีพก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ิไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเลือเดือดร้อนจากการขายภาครื่องต่างๆเหล่านี้เอคคำถามสุดท้ายนะหมดเวลาแล้วค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคนเรานี้ที่ทุกข์เพราะความคิดความอยากใช่ไหมครับใช่ถ้าคิดไปทางความอยากก็ทุกข์ถ้าคิดไปทางไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์ เพนถ้าอยากไม่ไม่อยากทุกข์ต้องคิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็สบายอยู่เฉยๆเช่นตอนนี้ถ้าไปคิดว่าการเป็นสอสอเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่ไปสมัครสอสอให้เหนื่อยยากสมัครมาได้ไม่กี่วันก็ถูกขอยุบพักแล้วทุกข์ไม่ทุกข์อนิจจังไม่อนิจจังไม่มองกันไม่คิดกันเอาแล้วเนี่ย